ธรรมบทแปลเรื่องจุลกาลและมหาการภาคที่หนึ่งเรื่องที่หกพระศาสดาเมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยเสตับพยานกรประทับอยู่นะป่าไม้ประดู่ลายทรงรรบารพจุลกาลและมหาการตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุภานุปัสสิง วิหรันตังอินทริเยสุสังวูตังโภชะนัมหิอมัตตัญยุงกุสีตังหีนะวีริยังตังเวปะสะอติมาโรโววาโตรุกขังวะทุพะลังอะนุภาณุปัสสิงวิหรันตังอินทริเยสุสุสังวูตัง โพชะนำหิจะมัตตัญยุงสัทธังอารัตถวิริยังตังเวนปะสะหติมาโรโววาโตเสหลังวะปัพะตังแปลว่าผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามอยู่ไม่สำรินสีทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโพชนะเกียร์ขันมีความเพียรเลวสามนั้นแลมันย่อมรังควานได้ เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรงลมรังควานได้ฉะนั้นส่วนผู้ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามอยู่สมรวมดีในอินทรีย์ทั้งหลายหรือประมาณในโภชนะมีศรัทธาและปรารบความเพียรนั่นแหลมันย่อมรังควานไม่ได้เปรียบเหมือนภูเขาหินลมรังควานไม่ได้ฉะนั้นความพิสดารว่า กุกุมพีคนหนึ่งกุกุมพีคือคนมั่งมีคนมีทรัพย์สมบัติมากชาวเสตับพญานอนสามพี่น้องคือจุลการหนึ่งมัชิมาการหนึ่งและมหาการหนึ่งในพี่น้องสามคนนั้นพี่ชายใหญ่กับน้องชายน้อยเที่ยวไปในทิศตั้งหลายบรรทุกสิ่งของมาด้วยเกวียนห้ารอยเล่ม นายมัชชิมการขายสิ่งของที่พี่และน้องทั้งสองนามาต่อมาสมัยหนึ่งพี่น้องทั้งสองนั้นบรรจุสิ่งของต่างๆด้วยเกวียนห้าร้อยเล่มไปสู่กรุงสาวัตถีปลดคือพักเกวียนทั้งหลายในระหว่างกรุงสาวัตถีและพระเฉตวันต่อกันในพี่น้องสองคนนั้น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 ด้วยสามารถแห่งสูตรมีทุกขคันขันท์สูตรเป็นต้นมาการได้สดับพระธรรมเทศนานั้นแล้วคิดว่านยะว่าคนเราจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปโภคและญาติทั้งหลายย่อมไม่ติดตามบุคคลผู้ไปบรโลกได้เลยเราจะต้องการอะไรด้วยการครองเรือนเราจะบวชละ เมื่อมหาชนถวายบังคมหลีกไปแล้วมหาการจึงได้ตูลขอบรระชากับพระศาสดาเมื่อพระศาสดารับสั่งถามว่าผู้ที่ท่านควรลาไรๆไม่มีหรือเขาจึงทูลว่าน้องชายของข้าพระองค์มีพระชก่าก็เมื่อพระผู้มีพระภาครัดว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงลาเขาเสียก่อนดังนี้แล้ว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 เมื่อพระาศาสดาตรัส บ, บอกธุระสองอย่างแล้วจึงได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระรงค์จะไม่สามารถบำเพ็ญคันตะธุระได้เพราะข้าพระองค์บวชในการเป็นคนแก่แต่จะบำเพ็ญวิปัสนาธุระให้บริบูรณ์จึงทูลให้พระองค์ตรัส บ, บอกโศสานิกะทุดงจนถึงพระอระหันต์รั้น์หวงปทมยาม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 อินันประเตระสัางนางกาลีนันว่าดีละ่ะดีละ่ะนางผู้เจริญก็นางเห็นรูปอารมณ์อย่างหนึ่งแล้วจงบอกแก่ข้าพเจ้านะสัระเรอร์หญิงชื่อกาลีรับคำดังนั้นแล้วประเตระทำสมรธรรมอยู่ในป่าชาตามอัตยาสัยของตนส่วนพระจุลกาลพุทลุกพุทนั่ง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 พระมหากาลยับยั้งอยู่แล้วเสด็จมาก็ภิกษุผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยอาจาระหญิงเหล่านั้นจะทำอันตรายแห่งบรระชาแก่พระมหากาลนั้นได้หรือน้อแลพระศาสดาทรงสดับคาของภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงเสด็จกลับมาประทับยืนอยู่แล้วจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกล่าวอะไรกันเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลคำดังนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอสําคัญมห า, หาการเหมือนจุลกาอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเชษฐาเพราะจุลกาญนั้นมีภริยาสองคนส่วนมหาการนี้มีถึง8คนเธอถูกภรรยาทั้ง8ค น, 8คนรุมจับไว้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 อสังวูตังโภชะนัมหิอมัตตัญยุงกุสีตังหีนวีริยังตังเวปะสะอติมาโรวาโตรุกขังวะทุพพลังอนุภานุปัสิงวิหรันตังอินทริเยสุสุสังวูตังโภชะนัมหิจะมัตตัญยุง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 ชวดทรงงามบุคคลนี้ชื่อว่าตามเห็นอารมณ์ว่างามผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามอย่างนั้นอยู่นั้นคําว่าอินทริเยสุแปลว่าในอินทรีทั้งหลายหมายความว่าอินทรีทั้งหกมีจักูุเป็นต้นคําว่าอสังบุตังแปลว่าไม่สารวมได้แก่ผู้ไม่รักษาถาวรทั้งหลาย มีจากสุด ท, ทบารเป็นต้นคําว่าอธรรมยูงแปลว่าไม่รู้ประมาณหมายความว่าชื่อว่าผู้ไม่รู้จากประมาณในโพชนะเพราะไม่รู้ประมาณนี้คือประมาณในการแสวงหาประมาณในการรับประมาณในการบริโภคอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าผู้ไม่รู้จากประมาณ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 ควมว่าหีนวีริยงังแปลว่ามีความเพียนเร็วซามได้แก่ผู้ไม่มีความเพียนคือผู้เว้นจากการทำความเพียรในอริยบททั้งสี่คำ ว, ว่าปะสะาัสสหติแปลว่ารังควานได้แก่ย่อมครอบงำคือย่อมยีกอดท่ว่าวาโตรุกขังวะทุกพลังแปลว่า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 น้ำรงอยู่ในอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นนั่นแหละเรื่องจุลกาลและมหมากาน